ข้าพเจ้าไม่ได้ทำต่อหน้าบุคคลและหลายคนอย่างที่เคยทำและไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้เรื่องนี้ได้มาจากการสนทนากับท่านเพราะความอยากรู้ของข้าพเจ้าแล้วเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านมีดังนี้คำว่านรกที่แบ่งเป็นคุม้มคุมคำว่าคุ้มในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าพูดตามภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจ ก็ต้องนึกว่านรกมีสภาพเป็นหลุมลึกหรือเป็นบอ่อใหญ่อะไรทานองนี้ท่านได้อธิบายให้ฟังว่านรกที่ท่านได้ไปเห็นมาไม่ได้มีสภาพเป็นหลุมแต่มีสภาพเป็นเสมือนหนึ่งถิ่นหรือที่อยู่ซึ่งมีภูมิประเทศคล้ายๆกับในโลกมนุษย์แต่ว่ามันแห้งแล้งและกันดานมากคนที่มีจิตใจอย่างเดียวกันหรือมีนิสัยเหมือนกัน โดยอำนาจแห่งกฎของกรรมก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้ไปอยู่รวมกันเป็นพวกพวกและคำว่าขุมก็หมายถึงถิ่นทินหนึ่งหรือแดนแดนหนึ่งของพวกนรกนั่นเองพอท่านอธิบายข้าพเจ้าฟังเช่นนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเพราะในขณนะนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพุทธพจน์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 เมื่อเขากระทบกับภาษาที่มีการเบียดเบียนยอมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าขนลุกก็เพราะทำให้เกิดความปลื้มปิติที่มองเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกสลดสังเวชเพราะนึกขึ้นมาได้ว่า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 ที่ได้รับการทรมานจากการขึ้นต้นงิ้วนั้นมีและเท่าที่ท่านได้ไปเห็นมาคนไทยที่ขึ้นต้นงิ้วนั้นมีมากกว่าฝรั่งและคนชาติอื่นท่านอธิบายว่าที่ว่าต้นงิ้วไม่มีนั้นเพราะเมื่อท่านไปดูท่านไม่เห็นต้นงิ้วเลยแต่ก็เห็นคนเหล่านั้นทำท่าปีนปเหมือนกับขึ้นต้นไม้และเดี๋ยวก็เห็นเที่ยววิ่งซุกซ่อน ท่านสงสัยจึงได้เข้าสมาธิกำหนดใจพวกนี้ดูว่าพวกนี้ทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นจึงได้เห็นมโนภาพที่เขาสร้างจากความเชื่อถือที่ติดไปตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์และจากสันดานชั่วรวมกันละที่ท่านว่าคนชาติอื่นที่ขึ้นต้นงิ้วมีน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นั้นก็เพราะความยึดถือของเขาอย่างนี้ไม่มีแต่เขาเหล่านั้น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 ความคิดของพวกเหล่านี้ก็คือการกระทําจริงๆนั่นเองข้าพเจ้ารู้สึกว่าคาอธิบายของท่านฟังเข้าใจง่ายมากแล้วรู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะหาเหตุผลอันใดไปลบล้างเรื่องที่ท่านเล่ามานี้ว่าไม่จริงนอกจากว่าเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเสเลยท่านอธิบายอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีฝอย หรือพูดอะไรให้เกินความจริงหรือเกินสติปัญญาของมนุษย์ดังที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้นี้หวังว่าผู้อ่านคงจะรู้สึกกลัวนรกขึ้นมาบ้างซึ่งความกลัวนรกที่ว่านี้ก็คืออดตับปะอันเป็นธรรมคุ้มครองโลกถ้าหากบุคคลทั่วไปในสังคมสามารถเข้าใจถึงเรื่องที่ท่านอธิบายให้ฟังดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าคิดว่า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 และที่ต้องทำก็เพราะเห็นว่าเป็นอุบายที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเราละชั่วทำดีส่วนความจริงแท้ๆแล้วไม่มีในฉบับต่อไปข้าพเจ้าจะได้นำคำบอกเล่าของท่านครูบาศรีวิชัยเกี่ยวกับเรื่องเมืองนรกมาเล่าให้ท่านฟังอีกสำหรับในฉบับนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอทิ้งท้ายด้วยพุทธพจน์ที่ว่าอิทัตตปติ เปจจตาตปติปาปการีอุพยัธตธตปติปาปังเมกตันติตปติพิญโยตปติทุกขติงขโตคนที่ทําบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนลาจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนเมื่อนึกว่าเราได้ทําบาปไว้ก็เดือดร้อนเมื่อไปสู่ทุกขติแล้ว ยอมเดือดร้อนยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า